พันเตวิสุงวิสุงักสชายเตสระเนนสปัญจีานิยาจามาทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัสชายาเตสระเนนสฮปัญจทีานิยาจามาตาติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักายาเตสระเนนสฮปัญจทีานิยาจามา นักโมตตระโกวะตูอัลลังหาตูสัมปุทธกานักโมตตระโกวตูอัลลังหาตูสัมุทธ น a ม a ตตะตะสุวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนตตะสะโะโมมาสมทธะนตตะตะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะ นามุตสาสัตว์โตอาระหโตสัมมาสัมพุทธาบุทรังเจลังขจฉานิพุทรังบารังขจฉานิพัมมังเจลังขจฉานิธรรมบารังขจฉานิสังขังเจลังขจฉานิ ฐานสารานุทานิภูติยมติบุธังจนังจามิภูติยติังสารานุทานิภูตยติธมังจรนังขจามิตยติัง อาติยมีบุตรังเจริญกัญชามีอาติยมีบุตรังเจริญกัญชามีอาติยมีธรรมังเจ t ิ a กัญชามีอาติยมีธรรมังเจริญกัญชามีอาติยมังังจชาอาติยมังังราี ตาณาติปตาเลสะมณีติฆะพะทัสมาทิยามิตาณติปตาเะมณีติะพะทังสมาทิยามิอินาตาณาเลสมณีสิฆะพะทังสมาทิยามิ ตาเมตุมิชาจาระเลมณีสิคาทังมายามิเมตุมิาจาระเลมณีิาพังมายามิโมาวทลมณีสิคาังตมารยามิาวาาเลมณีิาังมายามิ ตุลาเมเลยะมัชฌะตมาปถานาเวลามณีสิขาดะทังตมะทิยาบิตุลาเมเลยะมัชมะปถานาเวลามนีศิขาดะทมิยาอมานีันชสิขาดะธานีสิเลนสุขสิันติ กีเลนะโพกสันตานีเลนะนิพพิยันติตัตมารีลงวิโสทะเยตุมาจาโลกาทิปัสสิกะัมปสิกะทันเริยนทิวรังอิยาจ่าธาสันติภัสตาประตัสาติกาเทเสตุ ขมัางานุกัมติมังปัังอิธานิตตาภควาโตอลาหาโตสมมาสมพุทธาพริภานโตปัฏฐายะเดินไดไหมเนีเดินไห้ไหมอัตาอัตาปัญจ กุมผ้าขมมาสั้นตาโอ้ระี่หกเนี่ยี่รับหกนี่หกติงกาชาติชตเวกติอิทาชาตวกติสมมตจะรู้แตะฮะไมไดมเนียันี่าจะสนุกจะได้รางไม่ได้ว่าคนไหนในมุกในแหน่ะ ลุ้นี่สะสังวัาจะรูจรกเปังไงฮัลโหวีะทินังวาลวะเนะปนะโซลวารูโซลวารุอะไรอะเฮ้มันเขาปิดก็แล้วไงถ้าเขาจะปิดเพี้ยน เอาละดัตนี้ล่วงแล้วได้สองพันห้ารอยยี่สิบหกพันบาทวันตะวันนัตสมัยวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอะไรน่นหมาเป็ น, นเนสาครับฮะ<ฆ>นเสาครับอาทิตย<พ>์เปนเสาเป็นเสาโอ้ยเป็นเสาเดือนวันเสา เออวันนี้ถ้าจะแท้ได้ทันยงฟังสนุกเสียแล้วละ่ะนะฮะวันนี้วันเสาร์ก็ไปอันว่าเพราะพทธศาสนาของเราล่วงได้แล้วจากในปัจจุบันมานี่ถึงจะตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันถึงเวลานี้ก็ในสองพันห้าร้ยี่กพรรษาด้วยประกาลชนีนี่ก็เด็กักุลอาภิญญ์สุดๆนะ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 นี่พราว่ากันนี้อ่ะเขาไม่ได้หาผู้ว่ามาวันนี้ไม่มีอรำพบรบทเพราะว่าเวลาจํากัดอย่างหนึ่งในกิจการนี้สองบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอยากจะฟังเทศสององค์ไม่ใช่องค์เดียวเยอะไหมนี่ก็ขอให้ท่านมาครูเป็นพูดถ้าเป็นผู้ตอบไอ้ครูนี่คือก็คุณวิชานที่จะคุณเจ้าหน้าเพอวัดสิงห์จังหวัดชียงนาทแล้วก็ สต่ก็เป็นพระแบบเทวตมาคือเป็นเศรษฐีนี่เหมือนกันเรียงพระปีหนึ่งร้อยองค์เศษจะมีเด็กที่วัดอีกคนนี้วัดอีกค่าใช้จ่ายในการกินก็ไม่น้อยเออมีการก่อสร้างนอกจากนัดก่อยังมีตั้งโรงเรียนนักธรรมโรงเรียนบาลีค่าใช้จ่ายก็สูงจะได้เงินที่ได้มามันก็ไม่ใช่ในเหลือมันไม่พอ ได้ช่างเด็ดๆที่อดตายว่าช่างท่านให้เราเลยก็แล้วกันไงเรื่องความว่าวันนี้ทยัดเทศน์เรื่องอสงมันมากอาริสง์หลายอย่างฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เคยดูวีโรเทศทางโน้นมันเป็นการเทศเรื่องอริสง์น้อยจะใช้ข้อปิดย่อยมากวันนี้มีอริสง์หลายรายการทจะได้หลักวิชาเป็นส่วนมากถ้าหาว่าอยากจะได้ข้อปิดย่อยก็ฟังตอนกันงคืน ตอนกัางวันมีเทศสองธรรมะตอนกลางคืนเทศธรรมาครึ่งอีกคึ่งนั่งอยู่้องล่างนู้นแม่ราก็ไม่บัดไม่ไหวถ้าใครชอบเโอร่ไม่ชอบเราก็ไม่ได้โร่นะเดินนริสง์ที่เทศบป น, นี้นะครับท่มังคุว์ก็าคืนห น, นึ่งนริสงสร้างใหม่เพรว่าสรางบริสุทธิที่บูรณ์พรที่บูรณ์มีเยี่มโต๊อบเป็นหน้า นำเมินมาถวายในนามของบริษัทแล้วก็อาลีสงที่สองก็ไปสงถวายภาณนะในพระพุทธศาสนาคือรถยนต์อาลีสงที่สามอาลีสง์ถวายเสือถวายหมอนมีญาติโยมจำอวีนาเสือนําหมอนนําเสือมาถวายหกร้อยสี่สิบหกพืนแล้วก็อาจารย์วีระและอาจารย์ยกทรงนี่นาคณะถวายเป็นร้อยๆ้อม้วนมาแล้ว แล้วมีญาติโยมพุทธบริษัทกลางท่านนำหมอนสวายก็เยอะแล้วนอกจากนั้นก็มีในสองสร้างศลาหรือพิหารสถานแล้วก็สาหรับศาลาหลังนี้มันได้ญาติโยมพุทธบริษัทราคามันมากแต่ว่าท่านที่ให้คุณเริ่มต้นคือพลตโพสั ง, สงวนและได้โยมคุณช่วยสองสามีพัญญาให้คุณเริ่มทําการก่อสร้างหนึ่งล้านบาท ไม่ไดสำคั ก, ก่อสร้างนะและ้วก็ได้คุณธรรมญาญาติโยมคุณภัยศักดิช่วยกมาสนางกำนัลสถาปัตย์อีกประมาณล้านเศษมันก็ยังไม่เสร็จได้แค่เนี่สองล้านถ้าไม่ได้อีกก็ไม่สร้างต่อแลต่ก็เ อ, อิญมันคือนั่งขา้างหน้าญาติโยมไม่ให้ไหลคนต่อไปก็แป่นสองสร้างมุขตรูปหลังจากนั้นก็มีกรณีพิเศษคือว่าปีนี้จะสร้างตึกให้โรงพยา บ, บาลอีกหนึ่งหลัง จัดว่าเป็นเป็นแค่ห้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตารามีสามสิบห้องเว่นนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งมาสมบูรถามว่าห้องเท่าไรก็เลยบอกไปแบบาคา่ายยอดว่าห้องละสองหมื่นบาทก็มีโยมนิพพาแจ่เล่าบัานทัพสิท์จังหวัดสกสวรรค์ท่านมาถวายไปแล้วหนึ่งห้องสําหรับโรงพยาบาล ต่อไปถ้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านจะทำบุญอีกวันหน้าไม่มีเงินสองหมื่นบาทแต่ก็มีเงินตั้งแต่หนึ่งสลงกัไปครับนะเรื่องความว่าวันนี้ท่านแม่ครูไอ้พวกนี้มันยากมันหนะักแรงไม่มีอันระสงค์มันมากอันหนับแรกต้อขอเดิ น, นถามท่านแม่ครูก่อนการสร้างเมรุไม่เผาศพเนี่ยมันได้บุญได้กุศลดยังไงครับ คุ่เาถามแล้วแล้วก็่าอ่านว่าเขาสร้างเมรินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เมรินนี่เขามีไว้สวรรค์สมัยอัสยอรไว้สมบัเผ้าศพอยากจะทราบว่าอา น, นิสงสร้างเมรินเผาศพที่ไหครับเมอิ น, นสงเป็นประการใดครับพระคุณเจ้า อยากจะทราบว่าในเสานังกิมตีเนี่ยนะที่สร้างเมนถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี่ครับาจะได้อานิสงส์หรือไม่ได้หรือจะได้ในสมอย่างไใดยังนั้นนะครับอันนี้ก็แม้หายากพระคุณเจ้าทำไมล่ะคนที่จะสร้างอย่างนี้น่ะเขาต้องคิดแล้วก็ต้องรู้ประสบประการมาพอ พเพราะเขารู้เลยว่าอย่างมนว่ขาของพระคุณเจ้าเนี่ยอย่างอื่นเขาก็สร้างกันหมดแล้วแต่เอเมนเนี่ยเขาคิดออกแล้วว่าหมูสัตว์ในโลกมนุษย์จะเป็นสัตว์โดยฐานหรือมนุษย์ยมันจําเป็นเลิศเกินพระคุณเจา้าเนเรียกว่าจําเป็นนั้นก็เหมืองจับว่ามันต้องตายกันหมดเหมือนที่นั่งเหนือนชราเนี่ยเวลานี้ก็ มันตายเข้าไปบางคนที่อายุหกสิบก็ตายเข้าไปหกสิบปี อ, อย่างผมเนี่ยเจ็ดสิบสองก็ตายเข้าไปเจ็ดสิบสองปีก็ไอ้เหลือเขาเรียกว่านม น, น้อยคือมาเหลืออีกกมันน้อยแล้วนะไล่ที่ไปจะได้มันมากแล้วอันนี้ว่าเขาคิดอย่างนี้ต่อพ่วงเขาก็จําเป็นต้องสร้างเป็นเมื่อางแทนเนี่ยแล้วคุณเจ้าได้อาลัส่งเมื่ ามากเหนือผูดดีจริงนะพระคุณเจ้าเรียก่อนครับอันนี้สอที่จะได้ได้กยอมผู้สร้างแล้วได้กับพระผู้ฟงศิลปได้ได้สองสายเท่พคุณเจ้าแค่เลยสายแรกก็จะผู้สร้างเป็นคนเป็นนักเสียสละนะทั้งทั้งกำลังกายกําลังปัญญาและกําลังทรัพย์สามกำลังเช่พะคุณเจ้าแล้วก็สําเร็จมาเป็นเมนนะอันที่สองก็ อันดีสองดีสองว่าใครคนตายเป็นคนเผาน่าใช่สิตั้งก็คนแรกมาจั้งกทั่งเรื่อยมันเยอะกว่าแมนนั้นเจ้าพังเมื่อแมนพังแล้วถามว่าเจ้าของแมนยังอยู่ถ้านก็ทําต่ออีกแต่น้ำว่าคนคนนี้ขึ้นชือว่าการที่เรียว่ามีทรัพย์กันแล้วก็อ่านเช่นในเต๋อกระังจุนจีนเนี่ยเขามีทรัพย์ทั้งภายในคืออาเรียตับแล้วภายนอกก็คือไอ้พวกแก้วแหวนเงินทองนี่ เรียกว่าเรื่องเล็กๆสาหรับคนสองคนนี่เรื่องเป็นยังไงนี่แหละพระคุณเจ้าอ น, นิสองก็คือว่าได้ทุกวันเลยเดี๋ยวก่อนอริสองในวันได้ทุกวันมันได้ยังไงล่ะอา้าวพี่ว่าได้ทุกวันเนี่ยนะพระจ้ข อ, ของเขาปีติยินดีของเขาเขาได้แค่ปีติใช่แต่เสียงนี้ไปมันจะได้ปียิยังไงได้ลูก แต่เขาไม่แต่ถ้าเขาไม่ใช่นักเสียตลท่าไเขาทําไม่ได้ี่แต่ผมบอกมุสตะกี้นี่นะ่ตอนนี้เขาเป็นนักเสียตลทาไเขาต้องทําได้ะแล้วเราเป็นพเจ้าการเอาพระมาเทศน์มันก็เป็นแบบนี้เพระพระมหาจริงกระถี่เขาก็สร้างเมนให้เผาถีอศพได้นะดีใจตอนนี้ของญาติเขาจะไม่ดีใจนะพระเขามีรายได้มั่ง่ะมันวจะดีใจอะไรที่ไม่อยากเป็นพระรหัน นี่ <ทำ S 1> เป็นพระกังหันไปแล้วสิผมนะเดี๋ยวเรี่อเขาว่าผมเป็นพระอระหันต์มันก็ถูกของเขาทำไมแต่ผมก็เลยบอกว่าไอ้หนูเอ้ยมึงว่ากูเป็นพระอระหนันต์นะมึงตัดอะก็ละออกซะทีก <c oughs> ูมันเป็นยางไงถ้าใครเรียกกูทังไหนกูก็หันไม่ทั้นั <c oughs> ้นแหละใช่องไปยังไงออย่างนี้เขาเรียกพระอย่างแท้นะฮะ กังหันอย่างแท้สองโองในหันก็ไม่อยู่ ต, ตั้งแต่เกิดจนตายใช่พ น, นั <c oughs> ่นเป็นอย่างนั้นจริงแต่ก็ เ, เดี๋ยวก่อนครับคุณครูการสร้างเมเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือว่าจะไปเป็นหลอนจินถีครับเลี่ยละไออคนสองคนนี้นะพระคุณเจ้าขี้เลี้ยขี้เหลนนะเขาเป็นคนมีสิ่งห้าครบสมบูรณ์ ที่เรียกว่าถึงห้าทบสมบูรณ์นี่ก็เนื่องจากว่าอาผมได้อยู่ใกล้คิดคนสองคนนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านมหาใกลด้ดเองค์เดียวนะถึงห้าดีเขาทบสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของมนุษยธรรมคิว้วขี้เลยชั้นต่ำตำถึงจะมีกรรมอะไรอยู่บ้างเข้าไปตัดรอนเขาก็ยังได้เกิดเป็นคนนะท่านมหาแน่มีข้อหนึ่งนะครับไล่ข้อหนึ่งคนสองคนนี่เป็นคนที่มี ตัวห้คือความละอายต่อความทั่ว์ทุกชนิดไม่ยอรรมทำตัวออดตะโปออดตปะตะลุ่งกลัวต่อผลของความทุกข์ฉันจะไปด่าเขาผลอื่นเขาก็มีฝาดเขาก็ด่าตอบเขากลัวเห็นผลปัจจุบันอย่างนี้เขาก็เลยมีออดตปะเป็นที่เขามีธรรมะสองตัวนี้ธรรมะสองตัวนี้ท่านทั้งหลายเขาเรียกว่ า, ทาบบเทวะธรรมธรรมแปลเป็นภาษาไทยว่า ทำที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้นดิแต่กานมาหาเราเป็นพ่อเนี่ยหลูกพ่อต้องยอมแพ้อมรินเขานั้นน่ะนั่นแหละเอ้าจะไม่แพ้ทำไมเราเห็นกันอู่เี่ยไม่น่ะปีนี้เนี่ยสร้างฟานซะใหญ่โตเกินตัวใช่เห็นไหมแต่ก็ผมทําไม่ได้อย่างนี้ไผมจะไม่ทำอย่างนี้ได้กี่แพ้คนนี่แหละแต่ว่าด่าอื่นไม่แพ้แต่อีตรงนี้แพ้แพเลยแตกไม่แพ้ สร้างเล็กสร้างใหญ่ตายเหมือนกันถูกไอเขาเมื่อสร้างเล็กสร้างใหญ่สร้างมากสร้างน้อยไอตายเหมือนกันตรงนั้นน่ะถูกละแต่ก่อนจะตายท่านมหามีกําไรมากกว่าผมาไรมีกาไรน้อยไปหน่อยนะใช่ถ้าเป็นพ่อค้าก็เรียกท่านมหาขั้นมหาเศรษฐีผมได้แค่คันเศรษฐีแต่อยเ่าเรียกมหาเศรษฐีเลยใช่แต่อย่เรียกไวแล้วนะอันเนี้เหรอไม่ใช่ยกยอแล้วไม่ใช่ยกย่องไม่ใช่ เขาพูดไปกลายเป็นหมาสศรีไปใช่ใช่สิใช่คือเป็นชาแน่ได้ได้เศรษฐีไหมใช่นี่ยคนสองคนนี่นะถ้าเขาตั้งมั่นอยู่ในพรหมาวิหาระธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ครบสมบูรณ์คือมือแม่ตารักใคร่ตัวเองรักใคร่คนอื่นสัตอื่นเหมือนชีวิตตัวเองถ้าเขาแน่นอย่างนี้นะนะ แล้วก็มีกรุณาสงสารตัวเองคนอื่นสัตอื่นเหมือนชีวิตตัวเองเมื่อทีตาไม่อิจฉาใครไม่ยินไม่ขมแขนใครไม่ดูหมิน่นประมาทของใครนะเมื่อเขาดีเขาลอยดีดีเมื่อเขาท่วข์ก็สงสารอันนี้อีกอันนึงก็อุเบกขาญาณตัวนี้แหละทำยากหน่อยนะท่านมาเอาอุเบกขาติ้วไม่ได้หรออะไร เบรข้ายานมันหย่อนมากไปนะ อ, อ, อ่าเอาเต็ตี like talents, ้แหละมาดีแล้วคำว่าเบรขายานน่ะนะไอ้ที่มันตึงๆยันหย่อนนั่นแหละตัวนี้เนี่ยนะยาคู่เบรขานี่ไม่ใช่ของรักษาง่ายแต่ท่านมหามันยากผมเองนี่แหละเลียงลูกติดปีหนึ่งเยอะๆกรนีองค์นี้มันเป็นคนที่เรยว่าขยันหมั่นเพียร น่าจ่ายความรักให้มันเราก็จ่ายความรักให้เขาแล้วไอ้อ ง, งมันมาเป็นคนแกล้งกเสใช่ไหมถ้าไม่เกิดไอสององนี่ทะเลาะกันเราจะวางตนไปเิ็นกลางวางไม่ค่อยสนิทเนี่ยคับคุณเจ้ามันค่อยจะเตรียมไปคนที่เราชอบไอที่เรารักมันนะฮะอ๋อนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่เสียเพราะ ตัวอักคติหนึ่งฉันทาคติลำเตียงพอรักใครเขาน่สองทอสาคติลำเอียงราะไม่ชอบทิหนาเขาแน่ข้อนี้ผมผมรับรองผมหนีนเ้เดี๋ยวเดี๋ยใช่ใแล้วก็มอหาคติเดี๋ยวก่อนว่าไหนเขาว่ามาได้พูดเลยเ อ, อ, อ, ยอาพอขอลดมันออกไม่เดิววนน้นจะอยู่ ไ, ไ, ไหนไไหมดเลย ไอ้รถคันนี้เราดับเขาบอกเพื่อว่าเปล ก, กเขาแปลกไม่ <c oughs> ไม่อยู่เดี๋ยวถ้าไม่ชอบหน้าเขาที่ผมเข้าใจนะ <c oughs> ใช่เมื่อกี้บอกไม่ชอบขี้หน้าเขาไอ้ขี้หน้ามีอยู่ตรงไหน <c oughs> อ้าวนี่พระคุณเจ้า <_ s> แมขอโทษท่านทั้งหลายทุกคนนะนี <c oughs> ่นะ ไอ้เจ้ามนุษย์ก็ตามไม่เจ้าสัตว์หลายๆฉันก็ตามนะ <laughs> สัตว์หลายๆาันนี่เขาเป็นสัตว์นรกเช่นนี่ๆลูกน้องท่านมหาเลยสองต่อทั้งตัวเนี่ยสัตว์นรกก็จริงแนะท่านทั้งหลายต้องจําไว้ด้วยนะทำไมล่ะ <c oughs> ข้างในนะคนแต่ข้างนอกเป็นสัตว์นรกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทีวยว่คุยว่าคุยว่าเนี่ฉันอะไรเลยขาดตัดตัดชีวิตเลยใช่้ึ คุยยังไงนะถ้าลองถามนูนนิดพวกท่านฉันนั่งหลับเลยไปชิ้นเดวว่าไงอ่ะถามไงเลิกกินเัวกินควายกินหมูกินไก่หรื อ, อยังละ่ะถ้าถามเท่านี้ถ้าท่านตอบว่าท่านกินนั่นแหละท่านคนกินคนต้องการสําคัญมากที่ว่าสําคัญนําคัญตรงไหนลนะ่ะสําคัญตรงที่ว่าคนกินคนต้องการไปสนับสนุนไอ้คนขาย ไอ้คนขายไปถนับถนุนไอ้คนฆ่าไอ้คนฆ่าไปถนับถนุนให้คนเลี้ยงไอ้ฆ่าฉะนั้นคนกินมีส่วนได้ด้วยเลยแบ่งกันเลยนี่ท่านทั้งหลายจําไว้ดีนะนี่แหละว่าคุณเจ้ามันเป็นอย่างนี้ที่ผมถึกว่าอุเบกขาผมเอรับรองท่านมาหาได้ว่าผมยังไม่แน่นอนอญาโยมฟังแล้วจําไม่ได้นะว่าท่านประคูณลิชานเจ้าหน้าอําเภอ วัดสิงห์จังหวัดเชียนาฏวัดเกาะคมคำเท่าอันนี้ว่าคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นคนฆ่าสัตว์ด้วยนะใช่ปัญหาว่าญาติโยมไปทาบุญวัดเกอะคลองมะคำเท่าเราเอาตะผักไปไหมอย่าให้แบบเนื้อเลยแหมทรมนทรมนมากเอาแต่ผักไปเลยเนเนื้อไม่ว่าอะไรเลยเอาที่ใหญ่เลย อย่าม่ผมไม่กินงัวควายหมูไก่เป็ดขาดมาสิบกว่าปีแล้วนะคุณเช่าไหนทั้งูนน่ะไม่กินมือแข็งฉันนะมือแข็งฉันปลาอย่างเดียวเนี้ยเนื้อัต่ละอย่างเนื้อจับหรือเปล่าอ๋อคนกินเนื้อบัวเนื้อควายเนื้อเป็ดเนื้อไก่บาปกินเนื้อปลาไม่บาปใช่ไหมอ่ะอันนี้นะ นี่ทนายชยมต้องตะแคงหูฟังและสนใจหอวใจใส่ตีหูของหูพอจะช่วยตัวเองละถามว่าพระนี่ก็กินไหมพระก็กินกข๋าบาปไหมล่ะข้าไม่บาปอ๋อทำไมไม่บาปล่ะพระไม่ได้ไปสั่งเขาแลต่ยอมเขาจัดชาจะทำอะไรมาถวายพระจะทำดีเนี่ย <ห>ในเรื่องแป่เ น, นีอึแ น, น่เไปต้องเอินใจนะเอาละทันยาทะยอมท่านมาหาท่านตองการตรงนี้อ่าลุงพ่อก็จะบอกให้ท่านจาไปเลยนะคนในโลกมีสองพวกคนฉลาดคนโง่แน่คนมีสองพวกในโลกพวกเราด้านนี้มีสองพวกคนโง่อย่างไรคนโง่ก็เอากิเลสตัณหาเข้าไปกินแน่คนฉลาดไม่เอาหาทางออก เขาวางให้ดีนะเงิมไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่ากันถ้ารู้เห็นไม่กินถ้าไม่รู้ไม่เห็นกินแน่แน่แน่แน่แ น, น, น, น, นะน่ี้นอนมันสามข้ อ, อข้อสองไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าถ้าสมมติว่าจะทํางานวันที่เจ็บที่อีจิตไอตี๋เลยมึงเอาหมูมึงกูเจ็บรอไก่ดีตัวไทยอันนี้แบ่งขึ้นไกล้สีใช่ปะ <laughs> คนนี้เขาฆ่าเราเป็นกลางกลางเราฉลาดเราไมาย่ยอมสั่งถึงคนที่เธอจะสั่งเราก็ต้องฉลาดอีกไอ้หนูมึงจะไปเจอไก่เจอปลาเจอหมูนเนี่ยมึงเอาไอ้ที่เขาตายๆนะมึงอยากเป็นใจมันมนะแนะ่ถ้ามึงเห็นว่าเขาฆ่ากันแล้วมึงอยาเอานะแนะ่เราสั่งเลยใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเราออกว่าเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเพื่อเราข้อที่สามสำคัญ น, นะ จิตมันโค้ชไม่เพรามันรู้เลยว่าเราไม่รู้เลยเห็นว่าเขาฆ่ากันสองไม่ได้สั่งเขาสามจิตก็ไม่ติดใจสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราพรเราไม่ได้สั่งเรารอดเมื่อทันมหาราอดตัวได้ตรงเนี้ยท่านั้นตายหมดเลยพวกเนี้ยไปไม่รอดเนี้ยตายหมดเลยไม่เด่นเดาคนข้างล่างไม่ดีบทดีคนเดียวบนสมาร์ทนั่นแหละนี่เป็นนั้นว่าวันนี้ญาติโยม ฟังแท้แก่โกหกเทศให้ฟังอ้าวนม่ทำไมที่บอกว่าไม่กินก็ไม่ปวดนานนิทานมากแต่วาันนี้ก็นี้จะไม่เคยเล่าอวันนี้ไม่เเล่าวันนี้อันสองไม่มากอาลงฟังว่าการสร้างมือเนี่ยไปสวรางได้ไหมได้ไปพรมได้ไปัจจุบันนี่และไม่ต้องไปได้ไม่รอให้ตายแล้วคุณตาได้ยังไงได้ยังไงไร้คคนเราชาจิตมันเป็นบุญเป็นกุศล จิตใจสบายแช่มเชิญเดแล้วเหมืนเขาโลบโกรหลงได้เป็นดีเดชคนนั้นเลยเวลานี้อยู่บนสวสนรรคเรียกว่าจิตเป็นสุขใช่ไหมใช่ไอ้สวรรค์นี่เขาบอกว่าสนุกองงานเจสุปกติถ้าก็แก่จนพรมได้ไหมล่ะอะไรเป็นชมได้ไหมพรมพรมพรมนายที่พระคุณเจ้าเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงล่ะเป็นไงบอกว่าคนตองคนในบ้านกินีรี ถ้าจะเล่นธรรมวิหารแน่นหนารับรองในปัยพรา ม, มีม่ปัญหาจเจริญธรรมวิหารจะแน่นได้ต้องเดินตามประคุณเจ้าคือนั่งกรรมฐานทานละไมศีละไมภาวนาไมท า, านละไมก็บุญเฉลี่ยในการบริจาคทานเหมือนท่นานญาติโยมทำถือละไมก็บุญเฉลี่ยในการรักษาศีนนะภาวนาไมยก็บุญเฉลีนะ่ยในการจวดมนไหวพระฟังเทศบ้างแล้วก็นั่งกรรมฐานบ้าง อันนี้เขาไปแน่ไปคนแม่นะใช่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าจะทำบุญทำบุญวัดไหนยิ่งได้ใจเป็นพรหมธานมัยอ่ะจะทำบุญที่วัดไหนเอแหมพระคุณเจ้าอันนี้นะพระคุณเจ้าก็ต้องการจะลู่ไล่ญาติยมลู่ถึงได้ถามอย่างนี้ก็าด้นะพี่ใช่ไอผมเองก็ไม่อยากจะตอบทุไล ไม่อยากจะตอบจะพยายามตอบนิดในการเกงใจผมก็ได้ถ้าตอบได้ผมกลัวอยู่อันหนึ่งนะครับนะเพราะเคยถูกขาจอมตีมาแล้วงั้นเลยฮะไม่ต้องที่นี่ไม่มีขยจอมาคือว่าถ้าจะทำบุญกับพระเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะ่ัท่านญาติทนโยมต้องดูให้ดีนะบอกพ้าก็ได้บอกใครรู้เลยพระแท้มี พระเทียมมีพร ะ, ะปลอมมีนี่สามจาังหวะมันคนพยัญผูอท่านอท่านมีสามจาังหวะคนแท้มีคนเทียมมีคนปลอมมีเดี๋ยวพระแท้เป็นไงอา้าวพระแท้รือเขาก็พระแท้นะหนึ่งเป็นผู้ขยันและอดทนพระแท้ะน ะ, อะสอง เป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบคอบจะทำอะไรก็หาผิดพลาดยากสามเป็นนักเขียชะลักอ๋ออย่างราบกับครองคาเท่าใช่ไหมก็ไม่ใช่องค์เงินองค์เดียวแล้วข่ า, ขาวไม่ใช่ขา่าวก็วันถัศน์สุขไม่ใช่เว<อ>่ามีสติปัญญารอบคอบใช่ไหม <laughs>